พระธรรมเทศนาจาดกเรื่องนางมากปินคำภูกที่สองเรียบเรียงโดยอินสมชัยชมพูรเรี่ยนทำหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงไา้นโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาทาโคพระมตตราชาจินเตตวเจทาปุตตาม า, าตีสาทาโวดุราสาปุริจตั้งไลนิยายนียน้จักกาวถึงตันเตวพระมตัราชา กันพิจารณาทีแล้วก่อเก่าวซึ่งนางแก้วสายเมืองว่ากันเจ้าบุญเรืองหน่อเดาไข่ไตเติ้ลไก่กาจากปราเตต้องไปสู่ห้องแดนไกเฮียนบนใจหลายสิ่งสาทเป็ดยิงเคียงคานจากอาจารย์วิเศษตามดาวเขตจุมปู เพื่อกำจุโลกเตายำเป็นเจ้าไปลุ้นกันว่าบุญมากกว่างใดก็สร้างปังหลังเตียงสมบังไฟห้อยบ่อกาดก้อยเสียในกันใส่ใจนอไทยสมดังไฟใจไม้จุงพันภายอย่าจ้าเฮกว่านาขึ้นมา คือสองขาพ่อแม่ได้แจ้งแกตาตนยาเว้นชื่นสูลงข้างอยู่เมืองไก่จุงเรียวไวปอกเตามาเป็นเจ้าเมืองเราเมื่อนั้นนอปอที่า น, น, นานนมเนาคือว่าเจ้าสุริยา ฟังปิตาธิราชอนุญาตวางไปยินมิใจจมื่นปีติตื่นยินดีอันจุลีใส่เก่าไว้ป่อเจ้าสามราและออกไก่กาขึ้นสู่ยังที่อยู่หอตนรีเปรรนแต่งไว้ยังเครื่องใจนานา คื้อถงปาเสื้อผ้าตั้งดาบกาคมใส่สัดีกันใจคุ้นใหญ่ดาพร้อมไขจูอันอันก็มีหันแหนดกันถึงวันดีมารอตนเจ้าหนอดสุรินยาก็แต่งดาดอกไม้วางใส่ไว้เหนือขันนําไปปั่นโบชา วางต่อหน้าปิตาตั้งมันดาแม่ไทยนกขาไว้อันจุลีน้อยขันดีดอกซอยแล้วก่าวถอยขอขมาว่าขอสองขาพ่อแม่งดตอดแก่ตนใจตอดมีไหลหรือน้อยขอจุงปล่อยวางตำยาเป็นกำเจ้าถอยตัวจังห้อยต่อจน ขอเฮือตนแห่งคาไปไปลายนาสดาดีโจกใจมีพร้อมไกวสมใจไฟมโนในใดเร็วไวปอกเตามาเป็นเจ้าปาราคอสองคาพ่อแม่อันอยู่แก่ป้ายหลังย่าตุกขังมนไม่จุงหฮือใดเจริญานสุขสำรัอยาขาด จุมอาปาธานีอุบาทมีใหญ่น้อยอย่าจองห้อยกาญาจุงเตียกตีขาเตียงเต้าอย่าดวนเข้ามารณาแดดเตอเมื่อนั่นเ จ, าจ้าเจียงจันพร ม, มตัดราชกาับจัญาหนุ่มเดาฟังลูกเต้าไข่ปันมีใจตันต่ำก้อย ใจอ้วงหอยอาลัยไข่กัมไปปันโจกตามหนโลกโบราณว่าข้องตัว้านน้อยใหญ่ยามาไก่เบียนขี้สัตตุนี้ห่างค้างสมไปอังมโนในไดเรียงไว้ปอกเตามาเป็นเจ้าเสวยเมืองแดเตะวันเมื่อนันสุริยันยอดซอย ใจยินทอยกำจาแห่งสองคาพ่อแม่น้ำตาแพผลลำไายจริงตัดใจหือขาดนาพิวาตสามหอนแล้วย่ายตนคดออก <c oughs> มาปายนอกขอใจเรียเป็วไว้บ่จ้าสบายดาบกากับตัวกับตังัวเกรื่องใจอันแต่งไว้หลายวัน แล้วภายพันกาพากออกไปจากเพียงใจเพื่อจักไปสู่ห้องแดนเขตต้องไกตารีบไก่กาบอจาอาต่างนาเป็นไปตามบุญได้ปางก่อนหากจักสนนำตัางก็มีฮันและนา ตาตาในกาลนั้นเฒายังมีนางนอเ่าโซฟาลูกเสนาผู้ใหญ่อันอยู่ไปห่อในงามวันไหวผาเสดลักขณาเลิดเหลือคนดังนางบนฝากฝ้าจื่อนางนลามัตตานีจำเรือนดีขึ้นใหญ่สิบห้าปีไข้เติงตัน มันเคยหันเกยพอยังเจ้าหนอสุริยหลวดปีญาใจจอดไขรเป็นยอดเตวีส่วนหนอมูนีบุญใหญ่คือเจ้าหนอไทยสุริยามีบุญนามากวางบ่อไฟอัางยิ่งใดเคยจะใครก่ า, าอูหือ้อคนหูตามมี ว่าจุมนารีโลกไตตันเหลาไว้เป็นไมยว่ามานยลายเดือดแลนับบ่อแ้สังขัญมีนานาต่างๆหลายร้อยอย่างหลายพันใจแพ่พันว้วันบ่อตั้งมันบัวเมาพ่องใจเบาจืนสูนีต่ตวยจู้ใจร่ามพ่องตัวงามห่างแก่บ่อกาดแกอกาลี พ่องงามดีบ่อน้อยมักกาวทอยนินตายังวงศาเจ้าหมูยำนั่งอยู่สุมกันพ่องผิวพันงามพ่องวันนะาส่องเรื่องไร ดังนางในฝากฝ้าลงแหลงลาลงมามีตันหากยาบตัวเมนสาบเมนข้าวจุ้มหมูสาวโลกไต้ตั้งน้อยใหญ่ดวงลายข้าบ่อไมยไฟอ้างจะกเก่าแนบข้างปิ่งเป้าถึงงามเล่าผ้าเสื้ลักขณนเลิดปั่านได้คอนีไกจูผู้บ่อเอาเป็นกู่เตรียมคิง กันขาดิ้งใจรอดไข่ได้ยอดเตวีอันจากพีป้ายนาขอเอานางฟ้าสาวสวรรค์มาอยู่แป้งปันอยู่เฝ้านั่งเป็นเก้าหอคคำดอคุณทำเก่ า, กาวชี้เป็นดังนี้เรื่องเรื่องกอบีหันและนา สาวนาสวนวานางมาตาดีนมเนาวยินกำเหลาถึงห <virtually> so, ูว่าเจ้าบุญจูยอดใหญ่บ่มาไขแปลงปิงกับสาวหญิงโลกใต้เหตุบาไปดวงลายมีอูายหลายแหลดนับบ่แปะจะไขพ่องมีใจไววันบ่ตั้งมันหูเบาพ่องมัวเมาจินสู นี่ตัวจู่เมาลมหัวใจคมลายหลากพ้องนี่จากปิตาละมารดาแก่เท่าบ่อเกิดเล่าถึงคุณการตั้งบุญเด็กเว้นเล่นเข้าเส้นตั้งดำ ตั้นหานำกายตัวเป็นสาบเป็นข้าวบ่เหมือนสาวฝากฟ้างามยิ่งกว่าสาวคนกันถ้าตนหอมหื่นปูนดีจื่นเจยจมแม่นยังสมไฟอ้างได้เป็นเจ้าจังยามใดก็จักไปสอสอดเอายังยอดสาวสาวรรค์มาแปลงปันคำเจ้ า, าร่วมเป็นเจ้าปุรี นางมัตตานีใจถอยกึศรอถอยกำจ่าแห่งสุริยานอไทยยินเอาไม่เครื่องขี่โกธาหมีลายแหล่สราแผ่หัวใจว่านอหอใจน้อยนาจจาพระมาดูแควนยังสาวแดนดุมฟ้าว่าใจหยาบกาปาลา มีตันหากายาบตัวเหม็นสาบเหม็นข้าวบ่อเหมือนสาวติฟเต็ดอันอยู่เขตสวรรค์ปั้นตัวมันนั่นใส่บ่คอคืดควายถึงตนว่าเป็นคนลุมฟ้าพอมตวนนานยิงใจถึงเป็นสายเจ้อเจ้าตายแล้วเน่าเสมอกันหนอหอดจันน้อยหนาป้อยผามาดคนยิง บ่หวังอิงอยู่ไกลกับนิ่งโลกใจคนได้แม่นนี้ไก่จากห้องไปสู่ต้องไก่ตาถึงยามจุจอดกาลรอดจำมาไ จุมคนใจหลายหลากบอป้นจากนารีอุบายมีบ่น้อยกูจะก้อยขนหนิงในเอานอห่อใจน้อยหนาผทพะมาดคนยิงมาแอบอิงร่วมค้างเผื่อจากม้างเสียกรำอันหนอห่อกำยดใหญ่หากกะไว้เดิมที่นางมัดตานี้หนุ่มเนาคันหนิงเล่านานา กนนอพปุถะหยอดยาวไปสู่ดาวแดนไกลมันมีใจไม่เดือดบอกเหือดเครื่องกาเต้าพิจารน า, าคิดสงหายังจองอุบายบอพันภายกาผากออกไปจากเกหาจุมญาติกาคนใจบอกฮือได้เล็งหัน ลายขืนวัน้าไข ว, วันกึดใดอุบายว่าจักสมายไฟห้อยบ่อกาดก้อยเสียในก็จะไขบอกเรายังเงือนเก้าขีญยาฮือสองขาพ่อแม่หูแจ้งแกตามมีเสนาบดีผู้เท่าฟังลูกเท่าไข่กัน ก็จะวานเกาวถอยซอนลูกน้อยนาหนาก็มีหันและนะตามะทังปะกาเซนโตสัทธ า, า, าสัทธาสัพัญญุนยอดซอยหันบาถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตนสนาวาทโคเสนาปามโคดังนี้เป็นตน้น พิก so ้าเวดูราพิกุส่งตนทารงสินใสอจโจดเยื่อเงาโขตพระมูนีส่วนเซนาโบดีผู้เท่าฟังลูกเต้าไขจ่าพิจารณาทวนที่บ่อแม่นตีกองทำจริงไขกั๊ม่าวทอยสอนลูกน้อยยิ่งเดียว ว่าดูระชมชาเลียวเฮ้ย่อเนาตันเป็นเจ้าเสวยเมืองเตจะเรื่องยศใหญ่บ่อตุกไมเครื่องเข็นเรานี่เป็นข้าคอยเจื่อตำโต้อบอ่อเสมอกนอย่าเกิดพันไครใดเอาเจ้าดอไทยมาปิ้งจักสมคานิงยินอยากย้อนพิจากธรรมดา เป็นดังกาตำโต้อยบ่อพ่อก้อยยังตนใจม้วนคำเจ้าใครเป็นเจ้าปงหงอึงอยู่ปงป่าญาปองแข็งตาง่วควายเตียนย่อมตายมวยหมดบ่ออดรอดไปนานจุ่มกวางฟ้าน้วนหมู่อ่างไปอยู่จอมเสืออันจักเหลืออยู่ข้างกลางป่ากวางหรือมี หนูกาลีถอยไรไขอยู่ไกแมวลายเงินบ่อลายตุกอยากบักไขอยากของแป้งจุงมันแย่งตัวเก่าการิงเหล่าสอนตัวกันเมามัวลิงโลบอคืดหูยังตนตุกเรร้นเอาร้อนจักหลังคอนมาเติ้งจุงรำเปิงทวนทีฮือแม่นตีธรรมดา คนตันหามักใหญ่ย่อมโศกไม่ไปรุนเรามีบุญบอก้างจุงอยู่สร้างตามมีอยู่ปัทาวีดานดาวต่อไม่เศร้าสิดาวเห้ nh าวต่อเห้วสุดยอดบ่ออดรอดดาวใสขอใส่ใจลูกเต้าจุงกึดเล่ากระดิ่งได้แม่นมีใจกายาบบ่อสุภาพตามธรรม ตอดนาดำลายแลเตียนย่อมแผลลำ ม, มาถึงเราราวมวลหมู่บบเวนผู้คนได้เสนาในผู้เท่าสอนลูกเต้าลายภาค ก, การก็มีหันแหละนาะ ที่นั่งมัดตาดนีหนุ่มนาวฟังคำเล่าสอนใจแห่งพิตาผู้ปอก็ตานต่อกำไปว่าข้าพิจัยนักแก่จักจานแก่ตามรายมันเป็นใจใจถอยไข่เกาถอยดูแคนยังยิงแดนโลกใต้พ้อเสียงไข่นารีว่ามีใจบอดีมักบาป ตัวเม็นสาบเม็นขา้ า, าวคืดบ่เย้าสอดดันเอาแต่สันตันตามีมายาหมายจูบ่ตั้งอยู่ตามทำได้ยินคำมันเกา่าข้ากดเท้าเหลือใจข้านิ้งได้บ่เหือร้อนไม่เดือดนำนาพิจาราจู่แงจักผาแป่ตามาย มีอูบายบ่หน่อยคาจักก้อยลองจามเตียงสมตามคุดไฟบอ่หอนไว้เสียได้ถึงจักตายตันคาือความนาเป็นผี้าบอ่อนีละห่างจักตัวมั่งเบียนพี้เฮนอปุรีน้อยหนาใดไม่มาดเครื่องกาขอพี่ตาปิ่นเก้ากับแม่เจ้าใสา่ใจอย่าจะไขรก้าวท้อย ว่าลูกน้อยยาวลายลูกได้หมาเกิดแล้วบอกกัดแก้วถอยหุ่นจักรวาจนต่อตาต่ำดังคาการในบอฟังไพ่สักผู้บอท่าอู่ลายตีห้รือดีน้อยใหญ่คาหูไข่จูผักกาดเสนาหันผู้เท่าฟังลูกเท่าไขรจาก่อโกโกท่าลายแล สาะแผ่ไปในเต่าอดใจไว้ใดถึงโคตรไม่เครื่องขีก็แปลงใจดีสอนลูกตามตั้งถูกกองทรมีน้นำสำทอสอนลูกน้อยญิงเดียวบ่อนางบ่เลียวหูต่อกันว่าป่อใครจะนางปลาละยาบจ้าก็ตอบตาสบพันเหตุใจมันนั่นใส มานะใหญ่กาลีเสนาบอดีผู้ใหญ่ยินโคดไไมเดือดายดาผ้าภายลายหลากแล้วตัดจากปุงใหญ่ว่าอีจังไรบาปเศร้ามึงเป็นลูกเต้ากาลีคูสอนดีทวนที่มึงบอกี้หูฟังกึศปองหวังตั้งบาป บ่อสุภาพตามทรรบ่อฟังคำพ่อแม่อันเลี้ยงแต่เดิมอ่อนพ่อแม่สอนบ่อสู้อวตัวหูจะเทียงคนเจ้าเวียงหูขาวเตียงต้านเกาเตียนควันกำหรือนั่นเหล่าเศ้าจักไข่ดาวเวียงใจแต่นี่ไปไปหน้ามึงตามจ้าตกจน ตกตาลนอยากไรหรือมีตอดใหญ่ทั้งตายมึงอย่าไมายก่าวแจ้งว่าเป็นลูกแห่งตน้นกูหรือบุญจูมากว้างใดก่อสร้างเตรียมมาในเป็นจา่ายแห่งเต้าต้นภาพดาวหอกคำย่าใ ค, ค, ค่กําเก่าแก่เผาผู้นิงใจว่าเป็นสายลูกเต้า แห่งเสนาเทาเวียงใจมึงจักไปจักอยู่ตามใจสูาสรงแม่นใจจุงไข่ภาคออกไปจากเกหารีบไกลก้าไปสู่หนังที่อยู่แดนใดจุงตามใจไฟหอยกูนี่ปล่อยวางปันแม่นใจพันอ่วงคลองยังอยู่ห้องนั้นไป จงตามใจมักไปกูโบไล่จำนีโบราณมีว่าว้ตั้งแต่ไทยเดิมมาว่ามีบุตรสองหมู่หมู่หนึ่งอยู่ตีค่าโตปาลาบบไปมาหนาใหญ่เดือตัวใจมามัวตั้งบาบบอสุภาพตามธรรมบอฟังคำพ่อแม่คำเท่าแก่จะซ้อน โมหนึ่งเมื่อมอนก้อยกาจีวิตขาดมารณานะสองบุตตานิเหล่านักผาเจ้าไข่ปันว่าดูกดับพันความนาผาเสดกว่าคนยังเจ้าตุกขังโศกไม่ย่อมเกิดใดหนเดียวบอกขึ้นเดียวปอกเตาฮือโศกเศร้าหลายที่ส่วนดู ก, กาลีใจถอยบ่อยู่ถอยเอากำ ตุกประคำบ่อแ ม, ม่บ่อเวนแววนยำได้ตุกนักใจไหลตัง้งบ่อหูยั้งหลายหนย้อนลูกคนสอนอยากเป็นเกาหากนำ ม, มาบ่อโมระน า, าการแก้วบ่อเป็นตีแล้ ว, ควเครื่องใจโบร้านไข่กาวแก้หากแม่นแต่ดีลี สีนาบดีผู้เท่าโกธไม่เอาป่านไฟไข่กําไปกาวถอยด่าลูกน้อยยิ่งเดียวก็มีหันแลยนะสาปิโคปานาส่วนนางมัตตานีใจถอยได้ยินถอยกําจานปิตากล่าวแล้กก็กัดแก้อภัยพัน รีเปลวปันไว้ว่องไปสู่ห้องนอนตนใจเววนบ่เหือดหอนไม่เดือดเหลือใจน้ำตาไหลอาบนาเหตุพ่อดาลำนา <c oughs> พิจารณาขึ้นลองก็อหันปองอุบายว่าส ม, มัยไฟอ้างบ่อป่าวางวิจความนางทิ้งรั้มหนุ่มเน่าใจกำเศร้าเมาวัว บอกหัวกวนยังบาปขึ้นการยาบอาธรรมบอกใครกำก่าโอูหือแกผู้คนได้กึในได้ใจไหวมันรักอยู่หันคนเดียวและนะเทกตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งเหล่าเซนาเก้าปิตาได้ไกลกาลาภากออกไปจากเพื่อนตนนางตามุนบาปเศร้าคือนางหนุ่มเน่ามัตตนี ผู้บายมีเกิดไว้หอนเอาไม่เรร่นหูพอตนก้าพากออกไปจากเกหาก็รีบด่าเมียดไว้ยังเขื่องใจขัวแปงแก้วและแสงการยิงสัพสิ่งอลังการมุกดาหารก้าใหญ่เก็บหอมใสเต็มทงแวนธรรมรุ่งใส่กอยกับตั้งซอยใสคำ มีนานำลายเสน้นบ่อละเวนอันใดตังเงินำาาคำใส่บาไตเก็บเมียดไว้ปันดีจุมตาสีมวนหมูบ่อคืดหูเล่งหันเหตุปะกันลีกลีไปอยู่ตีไกตานางปลาลาบ่อจ่ากับเป็ดตาตันทีเป็นนางตาสีข้าคอยนุ่งผ้าตอยดำมัว แบกปกหัวฟฝังเฝ้าออกจากดาวเกหาออกปาราเตต้องไปอยู่ห้องแดนไก่ตามดังใจกึ อ, องหันแจ้งจ้องอุบายก็มีหันแหละนาะ อันว่านางมัตตานีหนุ่มเนาใจบาปเศร้าปลาละกันไก่กาจากของไปสู่ต้องแดนไก่ก่อไปอาสาไรจอดอยู่กับป้าปูสองขาอันอนาถากันอยากตกลำบากเตลายบ่มีสายลูกเต้าจักอยู่เฝ้ารุมราทั้งสองขาป้าปูแปงตุบอยู่ไก่ซุ้ม สอกตกสมบ่เหือทอนไม่เดือดคืนวันจุมปงปันพี่น้องบ่อ้วงข้องทำหานางปลาลาไปจอดออกปากรอดจะทำด้วยกำงงมลายแลวาา่าคาแดพ่อแม่สองขาสันได้จ้ามาอยู่ไกลจากหมู่คนหลายจุมนิ่งใจลุกเตาไปอยู่เล่าเสียไหน เป็นสันได้นันไซบ่อมาไกรุมราส่วนสองขาปูญยาก็ตตบตากำไปว่าบ่ามีไผลูกเต้าตั้งแต่เก่าเดิ ม, มาจุมบงสาพีน้องบ่อวงคองอะไรย้อนเข็นใจอยากไร้ตกบาดไม่คืนวันจริงปะกันมวนหมู ม, มาตั้งอยู่แดนไก่ ก้อยอดใจสั่งให้ปลูกผักไม่ตามมีคือข้าวสาลีข้าวฟางตั้งมันตั้งมันเขือมันเมื่อเสือหัวใหญ่ตั้งกล้วยไม้เขืองามถึงเมื่อน้ำมันแก่กินบ่อแปรเดือลายคนยิงใจไก่ไก่เอาข้าใส่ถงป้าตั้งปูยามาแหลกกลางเตือแจกปันไป แลอกจากใครเกาถอยแอบทำนางใจถอยมัตตานิวาดุราชมสลีน้อยนาตลักขณะอาจเปิ่งเปล่างามกว่าสาวจูผู้นางมีอยู่แดนใดเป็นลูกภัยนั้นเล่าเป็นลูกเจ้าปุรีหรือลูกเศรษฐีปอกา โลกไฟฟฝ้าเจ้าเมืองมีกำเครื่องใจไฟจักเตี้ยวไตไปในบ่มีไัยเป็นกู่พดมาสู่เราราจุงไครจะาบอกเก่าวฮือหวข่าวตามมีนางกาลีใจถอยก็อตอบถอยมุสาวาเป็นที่ดาลูกเต้าแห่งตันเจ้าเศรษฐี ในปุรีต่างดาวคงเขตเต้าแดนไกเงินคำใสลายหลากพ่อแม่จากผวามว้ปีน้องตายก้อยกาดพดเสียงขาดปงสานินโซกาบ่าเหือท่อนไม่เดือดถนัดใจน้ำตาไหลาลำหลังบ่หูยั่งขึ้นวันหัวใจตันกับกีบดังตันนีบกระฟ้า จารดาสอดรู้ว่าบ่ออาจอยู่นานไปจริงทัดใจเมียได้ยังเรื่องใจเงินคำมีนาหนำบ่อ้อยตั้งสายซอยสังวานมุงดาหานกาหญิงก็แสงสิงของแปงหมอกป่อแหงแบกได้มัดเมียไว้ปันดีแล้วลาหนีลาภาคออกมาจากเขื่อนตน เรียบเตียวหันฟังฝ้าออกจากดาวปาราเดียวต่างมาจะใจนับอันใดหลายวันจริงภายพันธมารอดเฮือนสองยอดตายายอิทธิหิวไหลนักแก่คอนยังแว่เศร้านอนกันอิทธถอนหายขาดจากใยบาดละไปย้มตาวันใสผูกเจ้าบัติเท่าสองขาได้ไค่จ่ากาวท้อย ว่าบ่มีลูกน้อยใจยิ่งจักแปลงปิ้งอยู่ไกลยำเวไคนาวในซ้ำเขยนใจกันอยากตุกลำบากเครื่องกา <c oughs> ฟังกำจ่าสองเท่ า, าคากุดเล่าคานิงในขออะไรยอยู่ไกลจู่วยใจตีนมือเป็นดังหรือกแล้วขอเป็นดูแก้วสองขา กานานาหน่อยใหญ่บ่อหือใดโทษทำเงินและคำแห่งคาตัง้งเครื่องง่าอาลังการซอยสังวานหลายสิ่งมีการยิ่งเรือลายมันจะขายเลี้ยงใสเตียนย่อมใดเมื่อนานหืมมองผ่านอยากไรหมดเสียงไข่ไก่กาหือสองขาป้าปูไดุ้กอยู่คืนวัน ้าบ่อพันกาภาคนีละจากไปในขออาสัไรยัยงจอต่อเต่ารอดมารด า, าแล้วนังปาลาใจถอยงามบ่อน้อยจื่อมตนีอุบายบีมากเต่กาก้อนนัดเท่าสองขาว่าอยาได้จากเก่าอู้ฮือแกผู้คนได้ยาฮือไผหนุ่มเท่าหูงเงินเก้าเดิมมา กันไผจ้าทำข้าวจุงหเ่าวไข่ปันว่าเป็นปงปันป้นพี่น้องอยู่ต่างห้องแด่นไก่มาสะไ่จ่วยใจ <c oughs> ก็ทำให้แปลงส่วนตามสมกวรจะแก่เือเสียงแก่สังกาส่วนสองขาแก่เท่าฟังนางเล่าไข่จ้า ปิจารณาทวนที่บอบมีตีสงสัยลักเกิดใจเจินสุวานาบุญอยู่ภามาความเครื่องกาแต่ก่อนเตียงไม้ผ่อนหายนี้เป็นสุขียามเทาตุกคำเจ้าใจบ้านสองเท่าผ่านเกิดแล้วใจผ่องแผวยินดีก็เฮือมันตาดีหนุมน่มเน่า อยู่เป็นลูกเต่าตามกำก็มีวันนั้นแหละนะนี่ที่ตังขีญยาสังวันะนาะนวิเศษจาห้องเหตุนางมากปินคำผูกทวนสองมัตตานีป่องอยู่เฝ้า กับสองเท่าคนผ่านจักอยู่นั้นเดินจ่าหรือจักกว่าตั้งใดผูกนี่ไข่บอแจ้งก็เอยฟังแทงไปหลังนียายยยังลายแหลก็เอยก่าวแกเป็นข้าวจักจ่าเหย้าลายหลากพ่องก็อยากปูยาพ่องแข้งขาขาดางเ น, นดซึงข้างสันหลัง จึงในที่ตั้งเตาอีเตานีหวาดวางลงก่อบบางกมสมริจเสร็จแล้วเตานี้ก่อนแล